ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook และแ n p a g e พระอาจารย์สุ ช, ชาติอริชาโตนะครับคำถามจากคุณกิตนะครับรบกวนสอบถามเวลานั่งสมาธิไม่สามารถทำให้เกิดสมาธิได้จิตมีความฟุ้งซ่านอยู่มากกราบขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงด้วยครับก็เพราะว่าไม่เจริญสติมาก่อนนี่สติยังไม่มีสติก็คือผู้ที่จะควบคุมความคิด ไม่ให้คิดในเรื่องราวต่างๆเช่นให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียว ต, ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคือให้ถือการเจริญสตินี้เป็นงานที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิเลยเพราะถ้าเรามานั่งสมาธิแล้วค่อยมาเจริญสติมันก็จะไม่มีกำลัง ที่จะหยุดความคิดปรุงแต่ต่างๆได้เราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาลืมตาได้ก็ให้ท่องพุโทโธไปเลยแล้วก็ลุกไปทําอะไรต่างๆก็ท่องพุโทโธครวบคู่ไปนอกจากเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุโทโธแล้วก็คิดถึงเรื่องที่เราต้องคิดแต่คิดแต่เรื่องที่ต้องคิดเท่านั้นเรื่องที่จาเป็นเช่นคิดว่าวันนี้วันอะไรมีธุระอะไร จะต้องไปทําอะไรอย่างนี้พอพอรู้แล้วว่าต้องทําอะไรเราก็เตรียมตัวไปทําภารกิจนั้นขณะที่เตรียมตัวเราก็ท่องพุโทโธต่อไปท่องพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอะไรอย่างนี้พอเวลามีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิมันก็จะสงบงา่ายเพราะเราควบคุมความคิด มาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิใจมันสงบไปบางส่วนแล้วมันคิดน้อยลงไปแล้วแล้วมันมีตัวควบคุมความคิดแล้วพอมานั่งแล้วควบคุมให้ท่องพุทธโธต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบได้ปัญหาของผู้ที่นั่งสมาธิแล้วไม่เกิดผลทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่สตินี้เองไม่เจริญสติกันก่อน มาถึงเวลาก็จะมานั่งเลยเหมือนกับนักมวยไม่ซ้อมเลยพอถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยขึ้นไปก็โดนหมัดเดี๋ยวก็ลมน็อกไปนับติตั้งแต่ยกหนึ่งเพราะว่าไ ม, ม, ม่ไม่ยอมชกกระสับไม่ยอมวิ่งไม่ยอมตามกับคู่ต่อสู้ตามกับคู่ซ้อมเลยที่ว่าสบายมากเดี๋ยวขึ้นไปก็จั ก, การกับ ผู้ต่อสู้ได้เลยพอขึ้นเวทีปั๊บก็ถูกหมัดเดียวก็สลบเลยนี่ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิปั๊บ ก, ก็จะพูดโธนแล้วก็จะให้มันสงบเลยมันไม่สงบพูดโธนได้สองคำมันก็ไปละไปคิดเรงนั้นคิดตรงนี้อยู่แลใจถึงไม่สงบดังนั้นขอสรุปคําถามว่าพอําตอบว่าอยู่ที่สติต้องจเจริญสติให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้คาถามข้อต่อไปจากคุณวินนะครับตอนนี้เวลานั่งสมาธิยังติดบริกรรม2แบบคือพุโทโธแบบย้ำฐานจิตกับตามลมและบริกรรมพุโทโธหายใจเข้าออกไปด้วยแต่ถ้าจะเข้าภวังได้เท่าที่สังเกตตัวเองคือต้องบริกรรมพุโทโธแบบย้าฐานแต่บางครั้งมีอาการเหนื่อยเลยตามลมหายใจแทน อยากสอบถามพระอาจารย์ควรแก้ไขอย่างไรครับจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจิตคิดมากก็ใช้คำว่าพุโทโธไปก่อนเพื่อหยุดความคิดต่างๆถ้าจิตไม่คิดแล้วรู้สึกเหนื่อยหยุดพุดโทโธดูลมต่อก็ได้ดูลมเฉยๆอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธอย่าทำทั้งสองอย่างมันจะเป็นการสร้างงานให้กับจิตมากเกินเกินไปโดยไม่จาเป็น นอกจากบางท่านบางกรณีที่ถนับที่จะใช้ลมควบควบไปกับพุทธโธก็ขอให้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปแต่ละคนนี้จะมีอุบายทำใจให้สงบนี้ไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเขาทําอย่างนี้สงบแล้วเราจะทําสงบเหมือนเขาเพราะลำดับจิตของเขากับระดับจิตของเรานี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้เขาอาจจะสูงกว่าต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นขอให้เราลองใช้ ของเราดูไปว่าอันไหนจะถูกกับเราจะเหมาะกับเราถ้าที่สังเกตดูถ้าจิตคิดบ้างนี้ถ้าจะดูลมอย่างเดียวนี้มันจะไม่อยู่<ม>ก็ไม่ต้องดูลมใช้พุโทโธไปก่อนก็ได้หรือถ้าใช้พุโทโธยังไม่อยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวนดไปให้มันจิตมันเหนื่อยเลยพอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดคิดหยุดคิดแล้วก็จะมาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ หรือถ้าว่าส่วนมวลแล้วยังไม่อยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ลองฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเปิดหนังสือธรรมะอ่านไปก่อนก็ได้เพื่อดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆพออ่านไปแล้วใจรู้สึกยังสบายแล้วเราค่อยนั่งหลับตาดูลมหายใจต่อไปก็ได้นั่งสมาธินี่มันเหมือนกับขับรถยนต์รถยนต์อยู่ใน อยู่ในสภาพไหนะถ้าจอดอยู่เวลาออกรถก็ต้องออกด้วยเกียร์หนึ่งไปออกด้วยเกียร์สี่เกียร์ห้าเครื่องมันก็ดับแต่ถ้ารถมันวิ่งแล้ววิ่งเร็วแล้วไปเข้าเกียร์หนึ่งรถมันก็จะน็อกได้รถมันก็จะจอดได้ต้องดูว่าตอนนี้รถมันวิ่งหรือไม่วิ่งมันจอดอยู่หรือไม่จอดอ่มันขึ้นที่สูงหรือไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตามความจําเป็น ใันใดการภาวนา mm hmm. ก็ต้องดูภาวะจิตของเราว่าจิตมันดือ้อหรือมันไม่ดือ้อมันฟุ้งหรือไม่ฟุ้งการใช้กรรมฐานเครื่องกากับอารมณ์อาจจะต้องเปลี่ยนไปตามกับความเหมาะสมของสถานภาพทางจิตในเวลานั้นข้อต่อไปคาถามข้อต่อไปจากคุณปะภาพันนะครับเวลานั่งสมาธิจะมีอาการปวดศีรษะด้านขวา และเบ้าตาด้านขวาเป็นอยู่ข้างเดียวและเป็นเวลานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมไม่ต้องไปสนใจเป็นเรื่องของกิเลสสมาเวลานั่งดูหนังมันไม่เป็นใช่ไหมเวลานั่งอ่านหนังสือนั่งนั่งเล่นเกมนี้ไม่เป็นแตพอมานั่งสมาธนิ น, านั่งสมาธิเป็นก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสจะคอยขัดขวางการทําจให้สงบ พอเวลาใจสงบแล้วกิเลสออกมาเพ่นพ่านไม่ได้กิเลสไม่ชอบกิเลสไม่ชอบการนั่งสมาธิกิเลสจะสร้างความรู้สึกอึดอัดต่างๆขึ้นมาปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจบางทีนั่งไปนิดเดียวก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาทันทีอย่าไปสนใจขอให้เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปต่ออย่าไปรับรู้เรื่อง ควรู้สึกต่างๆของร่างกายแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปคำ ถ, ถามข้อต่อไปนะครับจากคุณสุภกรนะครับลูกมีความทุกข์มากกับการป่วยของคุณแม่จิตใจท่านเปลี่ยนตลอดเวลาบนเหนื่อยท่านเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดลำไส้ได้ปีกว่ามะเร็งไม่มีสามเดือนก่อนท่านเอวซุดท่านอ่อนแอมาก จากล่าเริงเป็นซึมเศร้าไม่ค่อยพูดลูกทุกข์ใจมากขอความเมตตาชี้ทางลูกด้วยเจ้าค่ะคทุกข์ของเราเกิดจากความมองไม่เห็นความจริงนั่นเองเราไม่เห็นอริจังของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรามองไม่เห็นอ น, นัตตาว่าเราไปควบคุมบังคับได้เป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้ ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ท่านเป็นปกติอยากให้ท่านสุขให้ท่านสบายแพอเราเห็นท่านอยู่ในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในสภาพที่ท่านทุกข์ทรมานเราก็เกิดความทุกข์ใจความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไม่มีสติปัญญาหลอนใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ร่างกายนี้ไม่มีใครไปสั่งมันได้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ให้ท่านเป็นอย่างนี้เราต้องหยุดความอยากของเราเราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องของธรรมดาของของร่างกายของทุกๆคนแม้แต่ของเราเองต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจของเราก็จะหายไป คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณเล็กลิภาพรนะครับเวลานั่งสมาธิไปได้สักประมาณ30นาทีจะเริ่มมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้พยายามใช้คำบริกรรมพุโทโธถี่ขึ้นและบอกตัวเองว่าเวทนาไม่ใช่เราอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าตามที่กิเลสมันบอกอยู่กับมันและดูมันไปแต่ในที่สุดเมื่อเวทนาแรงขึ้นเรื่อยๆสติเอาไม่อยู่ต้องยอมแพ้มันอยู่เรื่อย เราจะนั่งสมาธิให้ข้ามพ้นจุดนี้ไปให้พบความสงบได้อย่างไรครับเพื่อต้องทำต่อไปทางนี้ส่้ไม่ไหวก็ทางหน้าก็กลับมาซู้กันใหม่ข้อสำคัญขอให้เราอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างองื่นถ้าเรายังไม่มีสมาธิใช้การบริกรรมเป็นการเป็นการต่อสู้กับทุกขเวทนาไปก่อนอย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรายังไม่มีปัญญาไม่มีกําลังพอที่จะไปใช้ปัญญาสู้กับเขาได้เบื้องต้นนี้เราต้องใช้แต่คําว่าบริกรรมไปอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไป น, นั้นค่ะเพราะถ้ามีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ใจจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปที่เราทนไม่ได้นี้ไม่ได้เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ทนไม่ได้เพราะความ ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องปิดประตูนี้ให้ได้อย่าให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าให้เกิดความลังเกียจความกลัวความอยากอย่าให้มีใจมีโอกาสไปคิดถึงความกลัวความเจ็บกลัวความอยากไอ้กลัวความเจ็บหรืออยากให้ความเจ็บหายไปให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวความเจ็บจะหายไปไม่หายไม่เป็นไรขอให้ไม่มีความทุกข์ใจเท่านั้นแหะ น้านใจจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณธนพรนะครับเราจะมีวิธีทราบได้อย่างไรว่ากิเลสที่ลดน้อยลงไปนั้นเกิดจากความรู้และเข้าใจหรือปัญญายานไม่ได้เกิดจากกำลังของสมาธิหรือยานถ้เาเป็นเกิดจากกำลังของสมาธิเวลาจากสมาธิมาความอยากก็จะกลับมา ที่เดิมเคยอยากอย่างไรก็ยอยากอย่างนั้นต่อแต่ถ้าเกิดจากปัญญายาแล้วมันจะไม่เกิดครับคำถามข้อถ่อไปนะครับจากคุณกินน้ําชานะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติขอความรู้จากพระอาจารย์เมตตาสอนพิจารณาจิตตานุปัสสนา ผมกำลังฝึกเดินจงกรมไปด้วยนั่งไปด้วยและพยายามกําหนดสติรู้ลมหายใจตลอดทุกอิริยาบถเท่าที่จะนึกระลึกได้ครับนึกขึ้นได้ก็กำํกำหนดกําหนดรู้ลมแต่ยังแค่เด็กหัดเดินอยู่อยากฝึกอยากฝึกกําหนดจิตเป็นต้องกําหนดอย่างไรครับถึงจะถูกต้องคือการที่จะเข้าไปถึงขั้นระดับจิตได้นี้ต้องผ่านขั้นร่างกายกับผ่านขั้นเวทนาไปก่อน เราต้องสามารถปล่อยวางร่างกายได้ก่อนเข้าใจธรรมชาติของร่างกายได้ก่อนว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดาเข้าใจถึงเวทนาธรรมชาติของเวทนาว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเช่นมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นธรรมดาใจเราต้องเป็นอุเบกขากับกับร่างกายกับเวทนา ในร่างกายแก่ก็เฉยร่างกายตายก็เฉยเวลาน่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าเรายังไม่ผ่านสองขั้นนี้ไปได้เราจะเข้าไปถึงขั้นจิตไม่ได้เพราะขั้นจิตนี้เป็นขั้นที่ละเอียดกว่าสติกำลังสติปัญญาของเรานี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดนั้นได้เราต้อง ฝึกฝนสติปัญญาของเราผ่านทางขั้นของร่างกายผ่านทางขั้นของเวทนาไปก่อนต้องผ่านเรื่องของร่างกายไปให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บหรือความตายหรือความสวยงามต้องปล่อยให้หมดก่อนถ้าถึงจะเข้าไปสู่ขั้นจิตได้ดังนั้นการดูจิตตอนนี้ก็ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูไปก็จะไม่สามารถควบคุมจิตได้ จะควบคุมจิตได้ก็เพียงแต่การใช้สติเท่านั้นเองถ้าจะไปใช้ปัญญาไปดูจิตแล้สั่งให้จิตสงบสั่งให้จิต เ, เชื่องนี้เป็นไปไม่ได้เวลาจิตเกิดอาการพยศขึ้นมานี้จะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีกำลังสติปัญญาสมาธิยังไม่มีกำลังมากพอที่จะไปควบคุมจิตได้ไปดูจิตได้ ดังอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องของการดูจิตถ้าเรายังไม่มีสตินี่ขอให้เรามากังวลกับเรื่องของการสร้างสติก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิถ้าขอให้เรามานั่งสมาธิทำจิตจให้รวมก่อนถ้าจิตไม่รวมนัม่นจะไม่เห็นตัวจิตและไม่รู้ว่าตัวจิตเป็นอย่างไรตัวจิตนี่ก็คือตัวรู้เฉยๆตัวที่เป็นอุเบกขาตัวนี่แหละคือตัวจิต แต่พอจากสมาธิมาบ้าความปรุงแต่งมันก็จะจุดลากให้จิตออกจากตัวรู้ไปเป็นตัวหลงทันทีจากอุเบกขาเป็นเป็นไม่ไม่เป็นอุเบกขาทันทีเรายังไม่มีกำลังพอที่จะรักษาตัวจิต น, นี้ให้รู้เฉยเฉยให้เป็นอุเบกขาไดา้จนกว่าเราจะดับตัณหาความอยากทางร่างกายกับทางเวทนาไปก่อน ถ้าดับสองตัวนี้ได้แล้วทีนี้ก็จะเข้าไปถึงตัวจิตได้เข้าไปควบคุมไปไปจัดการกับการพยศของจิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กถ้ายังเดินไม่ยังยังยืนไม่ได้ก็ต้องหัดยืนให้ได้ก่อนก็อย่าไปเดินไม่อยากไปวิ่งพอยืนได้แล้วก็หัดเดินพอเดินได้แล้วอยหั ด, ด, ด ว, หวิ่ง พระอาจรยก็สอนให้เราเาจเริญปัญญาจากขั้นหยาไปสู่ขั้นละเอียดขั้นร่างกายนี้มันอยา ก, กว่าขั้นเวทนาขั้นเวทนามันหยา ก, กว่าขั้นจิตมันต้องไปเป็นขั้นขั้นยาข้ามขั้นไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้แค่นี้นะเห็นไหมนีครับคำถามของคุณแฮปปี้โจนะครับ กระผมปฏิบัติโดยการรู้ทันจิตคิดอะไรตัดหมดปสานกับพุโทโธทําไปเรื่อยๆจิตเหมือนไปติดอยู่ในสภาวะว่างๆบอกไม่ถูกครับว่างแบบไม่ต้องรักษาดีของมันอยู่อย่างนั้นแต่กิเลสยังมีเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนแยกส่วนการกับจิตที่ว่างๆนั้นเวลาโกรธเหมือนจะเป็นอีกคนไปเลยที่โกรธสภาวะที่ว่าว่างๆ นั้นก็จะไปรู้จิตที่โกรธนั้นอีกทีครับไม่ได้ตั้งท่าทางให้จิตอีกอันเป็นแต่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นครับขอแนวทางปฏิบัติต่อครับก็ต้องทํามันให้มันว่างตลอดเวลาไม่ให้มีความโลิกความโกรธความเหนื่อยถ้ายังมีความโลิกความโกรธความเหนื่อยอยู่ก็ยังยังว่างไม่มากพอก็ต้องทําให้มันว่างตลอดเวลาเท่านั้นเอง ถ้ามันว่างจริงแล้วมันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้ามันถ้ามันว่างไม่จริงมันว่างแบบชั่วคราวพอมันเผลอมันก็กลับไปโลภไปโกรธไปหลงได้การที่จะทำให้ว่างอย่างถ้าวอนี้ต้องว่าต้องทำด้วยปัญญาต้องถอดถอนความหลงที่เป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงตัวที่จะทำให้ถอดถอนความโลภโกรธหลงได้ก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกับสิ่งต่างๆต่อไปต่อไปเป็นคําถามของคุณมิสกะมแมนนะครับมีคารวาสฝรั่งอีกคนเขาเขาว่าเขาเอาเวกิ่ง แล้วจากการพิจารณาการทำงานของ Cons Mind Sub Conscious Mind นะครับแล้วก็ Sub Conscious Mind นะครับพอเข้าใจจิตเขาก็เป็นอิสระกิเลสทั้งหลายหายหมดไม่มีเลย ม, มาครึ่งค่อนปีแล้วเขาเคยพิจารณาอสุภะมาแล้วแต่ดูเหมือนยังไม่รอบก็ไปจิตอย่างนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังคะหรือแค่สัญญาวิปลาช คือถ้าพิจารณาแล้วยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ายัางพิจารณาไม่ต่อเนื่องบางเวลาก็พิจารณาบางเวลาก็ไม่พิจารณาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเวลาที่เราฟันคู่ต่อสู้เขาก็จะตายเวลาที่เราหยุดฟันคู่ต่อสู้เขาก็จะบุกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ ไม่มีการมลลมอีกต่อไปมีพูดถึงเรื่องของการพิจารณาอสุภะถ้าเราหยุดพิจารณาเราเผลอไปเห็นว่าสวยงามมันก็จะเกิดการมลลมขึ้นมาถ้าเราพิจารณาอสุภะอย่างไม่เผลอมองที่อะไรก็มองเห็นเป็นอสุภะอยู่การมลลมก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วต้องดูตรงนั้นดูที่ว่ายังมีการมลลมอยู่หรือเปล่า ยังมีการมาลมอยู่ก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่ไม่อย่างต่อเนื่องพิจารณาบ้างไม่พิจารณาบ้างมองว่าสวยบ้างมองว่าไม่สวยบ้างเวลามองว่าไม่สวยก็ไม่มีการมาลมเวลามองว่าสวยก็จะเกิดการมาลมขึ้นมาเท่านั้นเองอยู่ที่การมองของเรามองว่าสวยหรือไม่สวยอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสัญญาเรื่องเรื่องวิปลาสอะไรทั้งนั้นอยู่ที่เรื่องของการพิจารณา ว่ายังพิจารณาไม่เพียงพอเหมือนกับฟันไม้ยังฟันไม่ขาดนต้องฟันต่อไปฟันไปจนกว่ามันจะขาดถ้าขาดแล้วเราก็จะรู้เองรู้ภายในใจเว่าอ๋อตอนนี้ไม่มีการมาลง เ, เห็นอะไรทีไรมันเบื่อไปหมดมันเห็นซากศพนั้นมันจะไปมีการมาลงได้อย่างไรพระอาจารย์นะเมตตาพระอาจายรย์เป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมครับ <laughs> When you contemplate on a s u p e a you have to contemplate all the time. Every conscious moment, you should look at the body as asuka, repulsive. Unattractive. Any time you forget to contemplate on the asuka nature of the body, your k i l e s a will look at the body as attractive, as beautiful. When that happens, you will have desire for the body. You will have sexual desire for the body. So, any time when you still have sexual desire, it means that you you're not looking at the body properly. You're not looking at the asupa, the unattractive, the repulsive aspect of the body. You are looking at the attractive side of the body. So you must keep contemplating, investigating. Keep looking at the body as if it is just a corpse, a dead body. Or look at the inner parts of the body. m i g h t open up the chest and look inside the chest to see the heart, the lung. all the other organs. Or look at the the waste that has been uh, secreted from the body. If you look at the the unattractive aspect of the body, then the sexual desire cannot arise. But as soon as you look at the attractive part of the body, side of the body, then the sexual desire will come up again. So as long as you still look at the body as attractive, you will still get sexual desire. But if you no longer look at the body as attractive, as beautiful, every time you look at the body, you only see the skull, the skeleton, see all the organs, see all the all the dirty thing like excrement, then you will not have any sexual desire. You you will know for yourself when you have a c c o m p l i s h n e s t It means if you still have sexual desire, it means you still have to keep on looking at the body as asupa, as an as unattractive, not beautiful. You have to keep on doing it until no sexual desire can arise.